ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระภาระทะวาชะมหาเถระผู้อันพระสดสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้บรรเลงสีหานาฏขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระกัจจายนะเถระ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 พระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีบริษัทอันน่าเลื่อมใสขอจงประทานความสวัส ด, ดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระทัพพระมัลลบุตรเทระพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะขอจงประทานความสวัส ด, ดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด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 ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระปัญจสังคาติคะเถระผู้ข้ามพ้นกิเลสเป็นเครื่องค้่องคือนิวรณ์ห้าอย่างผู้ตัดโอรัมพาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำหอย่างได้แล้วผู้ละอุทธธรรมพาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างได้แล้วผู้เจริญอินรีห้าคือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา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 พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิดกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ปราบรความเพียรขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่าระกุลาเป็นผู้มีจักรสุขอันบริสุทธิ์เป็นผู้เลิดกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีตาทิพขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด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 ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคราชกาละนาคราชมหาการะนาคราชสังกปาละนาคราชมโหทระนาคราชบณิกันทะนาคราชบณิอคิทนาคราชนันทะนาคราชอุปนันทะนาคราชวรุณนาคราชทตรัฐนาคราชกุงขวิละนาคราชอัปปลาละกะนาคราชจิตระนาคราชมหาวีระนาคราช จัพพยาบุตตะนาคราชวาสุกีนาคราชกัญหาโคตมะนาคราชนาคผู้เป็นจอมนาคอะคีสิกขนาคราชทูมสิกขนาคราชอหิชตตนาคราชจุโรทระนาคราชพญานาคทั้งหลายมีเอราปถนาคราชเป็นต้นหมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใดเป็นนาคราชมีพิษร้ายแรงมีพิษน่าสะพึงกลัว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 ในการทุกเมื่อเถิดสุริยะเทพบุตรผู้อาศัยอยู่ในสุริยะวิมานที่สำเร็จด้วยรัตนะซึ่งมีความยาว50โยชนขอจงทำลายความมืดแล้วประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดจันทะเทพบุตรผู้ประทานความร่มเย็นแก่ชาวโลกสองสว่างปรากฏขึ้นด้วยรัศมีมีปกติทาลายความมืดมน